ก็มีอยู่คนหนึ่งนะเมื่อาวานอ่านจิตตะเครหาบดีจิตะะจตะเครหาบดีนี้เป็นพระอนาคามีบุคคลเป็นผู้ที่อนาคามีแบบปฏิสัมพิทาด้วยแตกฉานมากานะถ้าเป็นปัญหาธรรมะพระภิกษุถามปั๊บท่านก็บอกขอเวลาเพ่งหน่อยติดใจหนึ่งแล้วก็ตอบปัญหาธรรมะนั้นได้อย่างแตกฉานคล่องแคล่วแล้วถามปัญหานี่มีแต่ปัญหาลึกซึ้งปัญหาเกี่ยวกันนิโรธสมาบัติเกี่ยวกับอะไรลึกซึ้งเลยนะ บางทีถ้าพระตอบไม่ได้ก็ตอบให้เองจะเล่าให้ฟังงั้นใครที่ไปเป็นใครว่าไปอยู่กับจิตตเคือหาบดีนี่ก็คิดหนักหน่อยว่างั้นพระองค์ไหนจะไปอยู่ว่ั้นเราจะยกปัญหาธรรมะมาแต่ละวันแต่ละวันมาถามก็งั้นทีนี้ก่อนจะตายเนี่ยก็มันก็คล้ายๆกับเคลิ้มๆไปนั่นแหละนะอารามรุกขเทวดาเป็นต้นเนี่ยนะมาบอกว่าท่านคือหาบดีว่างั้นท่านเนี่ยเป็นคนมีศีล เพราะฉะนั้นขอให้ท่านตั้งจิตเพื่อให้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเถอะว่างั้นนะให้ให้ตั้งจิตว่าขอให้ได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิในภพต่อไปเห็นไหเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีศีลความป่าเถนาอันนี้ของท่านก็สําเร็จอย่างแน่นอนท่านก็บอกว่าถึงเป็นอย่างนั้นก็ไม่เที่ยงเขาว่างั้นนะก็ตอบเทวดาไปทีนี้ญาติญติทั้งหลายก็บอกพระลูกเจ้าว่างั้นเพอไปว่างั้นอย่าเพอ้อเลยว่างั้นคล้ายๆกับใกลยย้จะตายก็เพอไปบอก อ่าเราไม่ได้เพอ้อก็บอกเอา้าเมื่อกี้ที่พูดอ่ะพูดว่ายังไงก็พูดบอกว่าแม้แต่อย่างนั้นก็ไม่เที่ยงเหมือนกันทีนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเทวดาเข้ามาบอกว่าให้ตั้งความปรารถนาเหมงอนกันทีนี้ถามว่าทําไมจะต้องตั้งความปรารถนาบอกว่าเพราะท่านเนี่ยเป็นผู้มีศีลท่านผู้มีศีลแบบเนี้ยจะน้อมจิตไปเป็นยังไงก็ได้เหมงนกันนี่น้อมได้แต่ท่านก็เลยบอกว่าพบในลักษณะนั้นก็ไม่เที่ยงเสร็จแล้วก็ ญาติญาติเนี่ยนะบอกว่าโหขนาดเทวดายังมาแนะนำใกล้จะตายมาดีจริงๆเลยนะแนะนำเราบ้างดิ<笑><笑>ก็แนะนำเลยจิ ต, ตาเครืหาบดีก็แนะนำญาติให้รัสมั ถ, ถึงไตสราณะคมแล้วก็สมาทานศีลกันนะ <S <S ให้รักษาศีลแล้วก็พักเดียวท่านก็จุตินะท่านเป็นพระนาคามีสบายอยู่แล้วสุทาวาสเนี่ยนะสแสดงธรรมจนวินาทีสุดท้ายเนีเ่ย น, นะเป็นเป็นเอตทักะเนี่ยเป็นเลิศ จะเป็นผู้ที่เป็นอุบาสกที่ได้ปฏิสามพิทาแตกฉานมากส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะในคาถาธรรมบทที่กล่าวถึงธรรมิกะอุบาสกกันะที่กล่าวถึงว่าผู้ทําบุญแล้วเนี่ยนะบันเทิงในโลกนี้เรียกว่าบันเทิงในโลกหน้าบันเทิงในโลกทั้งสองกันนะเรียกว่านยัยมะกะวะัคคาถาธรรมบทนะกับอีกในเรื่องนายจุนทสุกริกาเนี่ยนะก็บอกว่าทุกในโลกนี้ทุกในโลกหน้าว่าทุกในโลกทั้งสองว่าสําหรับคนที่บาปนะ ก็กล่าวว่าทำให้ก่าอุบาสกก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยเวลาแกใกล้จะตายเนี่ยนะเทวดาเนี่ยรถมา6สวรรค์หกชั้นเนี่ยมาเลยมาจอดเรียงกันเลยทุกคนก็จะเชื่อเชินแบบนั้นอ่ะให้ท่านตั้งจิตมาเป็นชั้นไหนก็ได้คือบุญขนาดนั้นเนี่ยขอท่าเลือกตั้งจิตจะเกิดจารุมก็จะเป็นเทวดาชั้นจารุมนั่นดีเพียงแต่น้อมจิตไปเท่านั้นเองอ่ะเลือกได้เหมือนกับคนมีฐานะเนี่ยนะไปไปจะไปซื้อรถอะ่ะขอให้ตัดสินใจเท่านั้นเนี่คำ น, นั้นก็จะเป็นของเขาละ ให้เลือกเอาได้เลยว่ามีบุญขนาดนั้นทีนี้ก็กอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเหมือนกันที่จริงพระช่วงนั้นพระกําลังแสดงสติประธานสูตรให้ฟังพอดีเลยนะนิมิตอันนั้นมันเกิดขึ้นระหว่างที่ฟังธรรมนั่นแหละเทวดามาเชื่อเชิญนะขณะที่กําลังฟังสติประธานอยู่พอดีก็บอกว่าหยุดก่อนหยุดก่อนนะนะที่ก็ห้ามเทวดาหยุดก่อนจะฟังธรรมก่อนท่านไม่เกี่ยวเหมอนกันเนี่ยไไนะพระก็เลยนึกว่าบอกให้ท่านเลิกเทศเหมือันท่านก็เลยกลับหมดเลย ริืมตามมาอีกที่อ้าวพระหายไปไหนหมดล่ะนะลูกล้านก็ร้องให้เนี่ยพ่อเนี่ยเพอ้อไปเขาว่าเขาบอกว่าหยุดก่อนหยุดก่อนพระก็เลยหยุดกลับไปหมดแล้วว่างั้นพ่อไม่ตั้งสติเลย <c oughs> <c oughs> บอกเมื่อกี้ไม่ได้บอกให้พระคุณเจ้าท่านหยุดบอกให้เทวดามาบอกว่าไหนเทวดาคำว่ า, างั้นไง่ายอยู่หกคันเนยอะรัชรถมาจากเทวโลกทั้งหกคันเลยอยทีนี้ก็บอกว่า เอางี้ก็แล้วกันงั้นเอาขอพวงมาลัยหน่อยนะพวงมาลัยที่ทําเพื่อพ่อเน่ยนะก็เอามาก็บอกว่าก็ถามลูกว่าในสวรรค์ชั้นไหนหน่าอยู่ที่สุดเหมนกันะก็ถามเหมนกันะลูกหลานก็แนะนําว่าในสวรรค์ชั้นดุสิติพ่อเพราะนกันะนะในนั้นเนี่ยจะมีบัณฑิตทั้งหลายพระโพธิสัตว์ก็จะอยู่ที่นั่นมารดาของพระโพธิสัตว์ก็อยู่ที่นะั่นกะันเหมนกันเพราะฉะนั้นให้ท่านเลือกเอาสวรรค์ชั้นดุสิตดังนั้นะท่านก็เสียงทายอ่ะนะให้ลูกเนี่ยโยนดอกไม้ขึ้นไปก็ไปแขวนรอออยู่ในนาากาศนะ แล้วก็หันกลับมาแนะนําลูกอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าหากว่าลูกอยากไปอยู่กับพ่อเนี่ยนะก็ทําเหมือนพ่อนะเสร็จแล้วท่านก็จุติเลยนะก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยนะไปรถรถมารับไปเลยสวายมากนะไม่หนะลงทำได้นะรู้ตัวแม้กระทั่งชวนาจิตสุดท้ายว่างั้นเถอะจิตเป็นกุศลแม้กระทั่งชาวนะสุดท้ายเพราะว่าชีวิตของเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่ทําให้จิตเป็นกุศลตลอดเลยนะ อันคนที่ที่มีความสามารถก็จะฝึกจิตได้อย่างถึงที่สุดอันผู้ที่ฝึกจิตถึงที่สุดเขาก็พ้นจากทุกข์ได้จริงจเนี่ยนะถ้าฝึกจนประสบความสําเร็จจริงๆทีนี้อะไรล่ะเป็นเครื่องฝึกใจจริงจริงนั่นนะก็นักบวชแต่ศีนนี่แหละเป็นต้นไปนี่นะเป็นอุบายในการเครื่องฝึกใจจริงจริงต่อไปนะว่าภิกษุเมื่อสวยงามในตะโปวัน ย่อมสวยงามด้วยสมบัติคือศีลดุจพระจันทร์เมื่อสวยงามในท้องฟ้าสวยงามอยู่ด้วยสมบัติคือรัศมีฉะนั้นนะความงามของดวงจันทร์ก็ดูได้ที่รัศมีใช่ไหมที่ออกมาเป็นช่อๆชันใดภิกษุถ้าจะงามก็งามด้วยศีลถ้าไม่มีศีลจะเอาอะไรเมาแม้กลิ่นกายของภิกษุผู้มีศีลก็กระทาความปราโมทแม้แก่เทวดาทั้งหลายได้ จะมีคาอะไรต้องพูดกันในกลิ่นศีลเล่ววาว่ากันก็บอกว่าอย่างพระพิสุรูปหนึ่งเนี่ยนะที่ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านไม่เคยล้างเท้าเพื่อขึ้นนอนเลยประมาณ30ปีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเท้าของท่านซึ่งไม่ได้รับการแบบนั่งขัดให้มันดีอะไรนะเนี่ยนะทีนี้ท่านก็จะล้างเท้าว่างันเดอเทวดานี่มาเลยครับบอกว่าอย่าล้างเลยว่างัน้นกลิ่นกายของมนุษย์นี่เหม็นเขาว่าก็บอกว่ า, วาไม่เหม็นหรอกพระคุณเจ้าว่างัน้นกลิ่นศีลของท่านเนี่ยนะกรบหมดเลย ค, คือไม่ในมนุษย์การในฐานะทวารวิถีเลยนะเท้าสา ก, กะนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้านี่นะถ่ายถ่ายเป็นเลือดนี่นะถ้าบางคนหนักเนี่ยเป็นเลือดท้าสา ก, กะมาอยู่อุปถัเนี่ยนะเป็นคนคอยเทกระโทนให้เนนะท้าสา ก, กะก็จะทูนหัวเนี่ยเอาไปทิ้งก็บอกว่า ไ, ไม่เหม็นหรืออะไรบอกไม่เหม็นนะคือเพราะว่าเจริญพุทธคุณไปตลอดเนี่ยนะไม่ในมนสิการนะคือเหม็นไม่เหม็นอยู่ที่มนสิการ ทำนะไม่มนสิการเนี่ยนะอยู่ในเล้าหมูทั้งวันเนี่ยจะไม่มีรู้สึกมีกลิ่นเหม็นเลยนะคนที่ทําฟาร์มทําอะไรเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกเหม็นเลยถามว่าทําไมเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องเหม็นเลยมันชินไปเนี่ยนะเมื่อเลิกมนสิการก็ไม่ไม่เกิดเนี่ยนะจิตทางปัญจทวารวิถีเป็นลักษณะนั้นอั้นผู้ที่มีศีลก็จะลักษณะนั้นเนี่ยนะเพราะว่าคุณธรรมคือศีลเป็นต้นเนี่ยทำให้คนอื่นที่เกี่ยวข้องเขาจะทําด้วยความไม่รู้สึกรังเกียจ ไม่รู้สึกว่าหน้าขยักขยั้งกินแหนะแขลงใจอะไรเลยแต่ถ้าศีลไม่ดีเนี่ยนะมันยังไม่ต้องเป็นน ะ, ะยังไม่ต้องยังไม่ต้องไข้หรอกแคะ่เห็นหน้าจริงๆแล้วก็เสียวละเป <c oughs> ลี่นนยนศีลย่อมครอบงามสมบัติแห่งคันทชาทั้งหลายทั้งปวงฟุ้งไปได้ไม่ขัดข้องตลอดทิศ ท, ทั้งสิบทีจริงแล้วโดยมากคําว่ากลิ่นในที่นี้หมายถึงกิตติสัพนะจะเป็นนึกว่าเป็นกลิ่นนะนะกลิ่นที่ออกมาจากกายที่เปื่อยเน่ามันก็เหม็นอยู่แล้วล่ะ แต่หมายถึงว่าชื่อเสียงอะโดยมากหมายถึงชื่อเสียงว่าชื่อเสียงของคนมีศีลจริงๆเนี่ยก็จะขจรฟุ้งไปไกลแม่สกักการะแม่น้อยอันทายกทายกคือผู้ให้เนี่ยนะทำแล้วในท่านผู้มีศีลย่อมเป็นสักการะมีผลมากเพราะฉะนั้นผู้มีศีลจึงเป็นดุจภาชนะรองรับเครื่องบูชาและสักการะเคนที่มีศี น, นี่นะเป็นภาชนะที่ควรแก่ การสการะเคารพ บ, บูชาเป็นอย่างยิ่งมีอา น, นิสงส์ในการเจริญพุทธคุณอยู่ข้อหนึ่งกังวังกันถ้าใครที่เจริญพุทธคุณเนี่ยนะผู้ที่เจริญพุทธคุณเนี่ยนะเขบอก ว, ว่าตัวเขาเนี่ยเหมือนพระเจดีย์วังกันควรแก่เครื่องสักการะบูชาเพราะความที่พุทธคุณเนี่ยซึมทราบอยู่ในจิตตลอดกังวั ง, งั้นนะมีอยู่บทหนึ่งนะในวิสุทธิมรรคเนี่ยดูให้ดีนะว่าพูดถึงอา น, นิสงส์ของการเจริญพุทธคุณเป็นต้นน ะ, ะเห็นแล้วโอ้น่าเจริญจริง พอลือมมันในสงก็เลิอกอีกอาสวะทั้งหลายที่มีในปัจจุบันย่อมเบียดเบียนท่านผู้ผมีศีลไม่ได้คําว่าอาสวะในที่นี้หมายถึงความเดือดร้อนเนี่ยนะมีการฆ่าการจองจําเป็นต้นอาสวะตัวนี้ไม่ใช่เป็นกิเลสนะหมายถึงความเสียชื่อเสียงเขาถูกคนเข้ามาว่าร้าย ม, มาตําหนิติเตียนมาฆ่ามาตีเป็นต้นเนี่ยนะก็บอกว่าอาสวะทั้งหลายที่มีในปัจจุบัน ย่อมเบียดเบียนท่านผู้มีศีลไม่ได้ถ้ามีศีลจริงๆอ่ะความเดือดร้อนเหล่านี้จะไม่เกิดผู้มีศีลย่อมขุดมูลแห่งทุกข์อันมีในภพหน้าทั้งหลายเสียได้นนะรากเหง้าแห่งความทุกข์ทั้งหลายที่จะมีในภพต่อไปคนมีศีลก็ขุดออกแล้วสมบัติในมนุษย์ทั้งหลายอันใดก็ดีสมบัติในเทวดาทั้งหลายอันใดก็ดีเมื่อท่านผู้มีศีล อันถึงพร้อมปราถนาอยู่สมบัตินั้นย่อมไม่ใช่สิ่งที่ท่านจะได้โดยยากเลยนะสมบัติในสวรรค์ไม่ใช่เป็นของยากสำหรับผู้มีคุณธรรมอันหนึ่งนิพพานสมบัติอันสงบสุดยอดนี้อันใดใจของท่านผู้มีศีลอันถึงพร้อมแล้วย่อมเล่นไปสู่นิพพานสมบัตินั้นนั่นแหละเนืองเนืองถ้าศีล ด, ดีเนี่ยน ะ, จะเจริญวิปัสสนามากๆแล้วก็เข้าพระสมบัติไม่ยาก อย่างพระพุทธเจ้านเนี่ยนะเวลาพระ อ, องค์แสดงธรรมเนี่ยแสดงแสดงไปแล้วช่วงนี้เนี่ยเขาจะต้องสาธุการแน่นอนพระ อ, องค์ก็กําหนดมณสิกานแล้วก็เข้าพระสมาบัติพอเขาสาธุจบพระ อ, องค์ก็ออกจากพระสมาบัติแสดงธรรมต่อได้บ้า ง, งนคนที่มีศีลดีๆจริงๆเนี่ยนะพระสมาบัตินะนะมีนิพานเป็นอารมณ์ไม่ใช่เป็นของของยากเลยบัณฑิตพึงแสดงอนิสงส <ะ S 1> ซ์งนะซึ่งมีอาการต่างๆมากมายในศีล อันเป็นรากเง่าแห่งสมบัติทั้งปวงโดยประการที่กล่าวแล้วนี้เนะสีเนี่ยนะเป็นสมบัติเป็นรากเง่าของมันเป็นมูล น, นะสัพพะสัมปติมูลำหิกของั้ น, นนะเป็นมูลของสัพพะสมบัติของั น, นสมบัติทั้งหมดเลยนะสมบัติสมบัตินี่กี่อย่างเคยได้ยินก่อนะเคยสมบัตินี่กี่อย่าง โดยมากนะมีมีสามคำคือมนุษย์สมบัติเนี่ยนะสวรรค์สมบัติและก็นิพพานสมบัติเนี่ยนะสมบัตินี่แปลว่าถึงพร้อมเนี่ยนะถึงพร้อมแห่งความเป็นมนุษย์ไปสู่สุคติแล้วก็ความถึงพร้อมคือนิพพานสมบัตินี่แปลว่าถึงพร้อมโดยมากเขาก็ทำกุศลแล้วก็ตั้งความปรารถนาสมบัติสามประการคำว่างั้นด้วยว่า เมื่อแสดงอยู่อย่างนี้ใจย่อมเป็นอันสะดุ้งกลัวแต่ศีละวิบัติแล้วย่อมน้อมไปในศีลและสมบัติเระกันเพราะฉะนั้นความเศร้าหมองแห่งศีลกับความผ่องแผ่แห่งศีลเนี่ยนะเาจะแสดงควบคู่กันไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็จะสะดุ้งกลัวเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยของความทุศีลนะแล้วก็กล่าวถึงอ น, นิสงส์ของศีลก็จะทาให้มีใจเนี่ยนะน้อมไปในศีลเพราะฉะนั้นบัณฑิต เห็นโทษในศีลวิบัตินี้และอนิสง์ในศีลสมบัตินี้ตามที่กล่าวแล้วก็พึงทําศีลให้ผ่องแผ้วด้วยความเอื้อเฟื้อทั้งปวงเถิดชะนี้แลก็ในทางแห่งวิสุทธิทางแห่งวิสุทธิวิสุทธิเป็นชื่อของนิพพานทางเป็นชื่อของมรรคเนี่ยนะทางที่ทําให้สู่นิพพานเนี่ยนะ ที่ทรงแสดงไว้โดยศีลสมาธิและปัญญาเป็นมุขเป็นแนวทางเนี่ยนะแห่งพระคถาว่าศีเลปฏิฐายะนโรสปัญโยจิตตังปัญญัญจะเป็นต้นนั่นแหละเป็นอันข้าพเจ้าแสดงศีลไว้ด้วยคําพูดมีประมาณเท่านี้ก่อนเนี่ยนะศีลวิสุท ธ, ธิเนี่ยก็ถือว่าจบบริบูรณ์เหมือนกันบริเฉษที่หนึ่งชื่อว่าศีลนิเทศในวิสุทธิมรรคที่ข้าพเจ้าแต่งไว้เพื่อความบันเทิงใจเนี่ยนะ สาธุชนปา묻ชัฏฐานะเนี่ยนะก็คือเพื่อความปราโมทแห่งสาธุชนอย่างนี้เนี่ยนะท่านท่านแต่งเพื่อความปราโมทนะปราโมทเป็นชื่อของของอะไรปีติอย่างอ่อนนะเรียกว่าปราโมทศีล ส, สุดยอดปลอดภัยใช้กําจัดพองประ พ, พัดพ้นภัยใสสุดที่ดังบันไดสู่สวรรค์ในทันทีประตูดีรีนิพานผ่านเร็วไว อลังการศารศีลอาจินสูนเกียรติพรั่งครูเกิดพร้อมน้อมยิ่งใหญ่ศีลครบถ้วนล้วนเริงบันเทิงใจรองรับได้คือศรธรรมนำสูงภูนเจตนาศีลเน้นเว้นธทำไม่จาริสายศีลกระทำนำไม่ศูนสังวรศีลสินส้นทุกทางห่างอากูลเรืองจํารูณศีลครบพบสุขใจ เรียกว่าพระไตรปิฎกตั้งแต่สมัยพระองค์ยังมีพร ะ, พระชนอยู่เนี่ยนะคำว่าพระไตรปิฎกเนี่ยนะใช้ตั้งแต่พระองค์ยังมีพระชนอยู่แต่ว่ามาจัดให้เป็นระเบียบหมวดหมู่เป็นเรื่องเป็นราวจริงๆก็เมื่อพระหมหาคส ป, ปะทําสังขายนาเห็นไหมทำสังคยาน ย, นงคยนาครั้งที่หนึ่งทีนี้พระนุรุธาจารย์นั้นผู้ที่เรียบเรียงอภิธรรมมัทสังกหะใช้คำว่าเรียบเรียงมากกว่า คือท่านเรียบเรียงเอามาจากพระไตรปิฎกเลยนะเรียบเรียงอัฏฐสาระของของพระอภิธรรมอภิธรรมเนี่ยนะก็บอก ต, ตามสารละมัทธสังหะเนี่ยก็คือสังหะแปลว่าแปลว่ายอ่ออัถฐเนี่ยก็คือรวบรวมเนื้อความในคัมภีร์พระอภิธรรมเนี่ยนะมามาให้เหลือให้ยอ่อเขาจะได้ศึกษากันได้ง่ายๆหน่อยแล้วก็จะได้กลับไปคน้นคว้าอภิธรรมปิฎกได้ อย่างเช่นในพระพุทธพจน์เนี่ยนะจะแสดงเลยว่าอย่างเช่นมหากุศลดวงที่หนึ่งเนี่ยนะเกิดขึ้นอย่างที่เราเคยฟังสวดใช่ไหมกามาวจรกุศลเกิดขึ้นในสมัยนั้นเนี่ยนะมีรูปเป็นอารมณ์มีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโพธิภะมีธรรมะเป็นอารมณ์หรือว่าปรารภอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในขณะนั้นผัสสะเกิดขึ้นนะนะผัสโสโหติเวทนาโหติสัญญาโหติเจตนาโหติ น, นะแล้วก็จิตตังโหตินีแล้วก็ ค่อยๆไล่เจตสิกไปทีเดียวเกือบหมดเลยะนะแล้วก็มาแบ่งเป็นวาระต่างๆเนี่ยนะเช่นขันธวาระสุญเตะวาระเป็นต้นก็มาแบ่งเป็นวาระทีนี้พานรุธาจานี่ท่านก็เอาดวงที่หนึ่งเลยชื่อโย่อๆว่าโสมนาสาสากตังเนี่ยนะยาณสัมปยุตตังก็เอาเฉพาะศัพท์นี้มาตั้งดวงที่หนึ่งนะก็คือเรียบเรียงตามพระพุทธพจน์แล้วก็ไปอีกหน้าหนึ่งะนะ ไปเอามาอีกดวงหนึ่งก็มาเรียงเรียงเพราะว่าพราะพุทองค์ก็แสดงไว้ในยะแปดวงจริงๆเป็นต้นเนี่ยนะท่านก็เรียงเฉพาะจิตไปเอาจากจิตตุปาทกการเนี่ยเฉพาะตัวข้อข้อข้อทีนี้ในจิตตุปาทการเนี่ยก็มาแยกเจตสิกให้อีนะว่าเออในส่วนนี้เจตสิเกเจตสิกตรงไหนเข้ากันได้เข้ากันไม่ได้ท่านก็จะมาแยกให้เห็นนะแล้วก็มาเป็นปกินกะก็คือแยกโดยเหตุโดยกิจโดยทวารโดยวัตถุโดยอารมณ์ทั้งหลายแหละเนี่ยท่านก็มาแยกให้เห็นอีกครั้งหนึ่ง แต่ถ้าเป็นพุทเฉพาะเนี่ยแสดงรวมทีเดียวเลยนะแสดงเหมาไปเลยไม่ไม่แยกเพราะว่าผู้ที่ฟังนั้นเขามีความสามารถจริงๆซึ่งไม่ต้องไม่ต้องมานั่งคอยแยกคอยอะไรเพราะว่าเป็นประเภทบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมากที่ที่รับฟังอภิธรรมปิดกจากพระองค์เนี่ยนะบรรทารนรุ ธ, ธาจารย์ก็จะช่วยเราในลักษณะนี้ั้นถ้าเราไม่เรียนคำที่ของท่านเลยเวลาเราไปอ่านอภิธรรมปิดกเนี่ยอ่านอะไรมันก็น่าสงสัยไปหมดเลย ทำไมเป็นอย่างงั้นทําไมเป็นอย่างนี้ซึ่งเราประมวลเรื่องไม่ได้อาพานรุทาจางก็คือผู้ที่ประมวลเรื่องอนะที่จริงแล้วคมภีร์ของท่านเล่มไม่โตนะเดีย๋ยวนะต้นฉบับบาลีจริงๆอ่ะหรือไม่เล่มเท่านั้นเองกาวปฏิเสธ <9 S 2> มีอยู่เท่านั้นนะทีนี้เขาก็ผนวกดีกาเข้ามาผสมด้วยอันนะี้ทีนี้ไม่ดีกาจะมีภาคผนวกเข้ามาอีกอนะ อนนะอัตโนมัติเข้ามาด้านหลังไปอีกไปอีกจนอ่านแล้วเราก็ไม่รู้ตรงไหนเป็นของเดิมตรงไหนเป็นคำอธิบายของครูอาจารย์เพิ่มเติมเนี่ยครูอาจารย์ที่เอามาอธิบายอาศัยคำพีอะไรมาอธิบายเพราะท่านไม่ได้เขียนอ้างอิงตลอดใช่ไหมท่านไม่ได้บอกว่าที่ท่านมาอธิบายเนี่ยท่านเอามาจากเล่มไหนหน้าไหนคำพีอะไรเนี่ยท่านไม่ค่อยได้อ้างกันก็นนในรัตนคระเจดีเนี่ยนะก็คือเรือนที่พระองค์พิจารณาอภิธรรม พิจารณาพิธรมทั้งทั้งเจ็ดคำพีเนี่ยนะคือแบบอย่างที่พระ อ, องค์พิจารณาเนี่ยนะเป็นอนันตนาไม่มีจบมีที่สิ้นอ่ะนะเอามาเป็นถ้าเป็นภาษาพูดเนี่ยนะไม่รู้จะพูดยังไงได้จบมันไม่มีจบมีที่สิ้นอะแต่โดยเฉพาะคัมภี์ปัตานนี่ครับปัตานใช้ศัพท์ว่าอนันตนาอนันตานี่แปลว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดนัยยะที่ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะ ก็ยกตัวอย่างเฉพาะที่แสดงแบบไม่ย่อไม่พิสดาร น, นะอภิธรรมปิดกที่มีอยู่ของเราเรียไม่แบบไม่ย่อไม่พิสดารขนาดไม่ย่อไม่พิสดารเฉพาะปุตชาวาระเนี่ยนะหมวดว่าด้วยคําถามในตัวเลข12หลักนั่นะนะเอามาเรียบเรียงแล้วตัวเลข12หลักแล้วทีนี้มาเป็นคําตอบอีกเหรอคตอบก็มีการแยกตอบโดยวาระต่างๆนั่นนะมีเนื้อหาสุขุมกว้างขวางลึกซึ้งมาก อันพูดที่ไม่ได้ใคร่ครวนหรือไม่ได้ตรึกจริงๆเนี่ยนะมาแพ่งเรื่องนี้เนี่ยนะมันก็เหมือนกับรถที่มันใช้ความวิ่งไรว็วะนะนตหลุดหมดได้